ยากกแกไปไม่ได้ทําไปทามาลงนรกหมดทําทไปทามาก็าเสียจิตฟู้สั่านนิดเอานแล้ ว, วกัรเจริญกรรมฐานเขาบรนดาาท่านพุทธบริษัทความจริงก็ต้องถือว่าดีเพราะอะไรไหมเพราะทุกคนที่มาที่มาด้วยควา ม, มเพลิดเพใส่สมเด็จพรสัมมาสัมพุทธเจ้า คนที่มีความเลื่อมใสในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเทวว่าเป็นพุทธานุสติกรมฐานอย่างต่ำที่สุดก็ไปสวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่ไปนิพพานง่ายที่สุดตามที่โคตโคสายจารยารุจน า, นานสวิสติมรัก ในกรรมฐานสี่สิบกองท่านถามว่ากรรมฐานนั่งสี่สิบกองกนี่เจริญกองไหนเป็นกรกรมจะปฏิปันง่ายท่านถามเองนะแล้วท่านก็ตอบเองไม่มีใครขัดคอท่านก็ตอบว่าพุทธานุสิตปฏิปันง่ายไม่ยากไม่มีใครขัดคอถ้าขัดคอก็ขัดไปใหญ่าดโดยเพราะอย่างนี้เราจะเจ ร, ริญกรรมฐานกองไหนก็ตาม จะภาวนาไว้ยังไงก็ตามถ้าจิตเราเคารพพระพุทธเจ้านนอันดับแรกตรงถือว่าเป็นพุทธานุสิติก่อนแล้วต่อไปวีภาวนาวยังไงก็ช่างให้ได้หมดนี้ย ก, การการความดีเขาอานดาทำพุทธบริษัทนจจี่เก็บเรื่องไปมาตอนจนจะหลับตอนจนจะหลับท่านมาเตือนท่านบอกว่า ทุกคนที่มานี่มีความดีล้นทนมีความดีมากแต่ความดีท่วมความดีทนความดีล้นความดีรัววร่วใช้ไม่ได้นะใช่ไม่ดีนะเสียนะแต่อบรมาหารเอาแต่ความดีแค่ดีๆแค่เต็มๆตอนนี้มันก็มีอยู่ว่าการที่มาเรามีบุญอะไรบ้างหนึ่งพุทธานุสติทุกคนมีแล้วทุกคน สองธรรมานุสติมีแล้วทุกคนสามสังขานุสติมีแล้วทุกคนแล้วความมั่นคงจะเท่ากันแล้วไม่ไม่เท่ากันในเรื่องต่าหาแล้วก็ต่อมาสี่ราสต่อต่อมาสีลาุสติทุกคนมีแล้วมีมั่งไม่มีมั่ ง, ม, ม, ม, งมีทุกคนนะแต่พร่องมั่งไม่จรองมั่งใช่ไห วันนี้พล่องเราก็ไม่แน่จะคุยกันโกหกว้เปล่าเลยนะทาปริชาเนี่ยก็เป็นนั้นว่าด้วยพรอย่างจริงส่วนที่มีความใคร่ส่วนหนึ่งก็คือสงังฆทานสงังฆทานเนี่เป็นทานที่มีรมีสุเมรมีท่วมล้นมากก็เป็นทานชั้นสูง ถึงแม้ว่าจะมีตังบตัตรสองบาทเสลึงสองเสลึงล้วก็ตั้งใจที่ว่าเงินส่วนนี้เป็นสังฆทานมันก็ต้องเป็นสังฆทานเ่อย่าอื่นไม่ได้อันนี้สงฆ์ก็ทุ่มมากในเมื่ออันนสงฆ์ทุ่มมากชนีิดจะตายไปไหนจะพูด ก, กันได้ความดีความตายอย่างต่ําเราก็ไปสวรรค์ ถ้ามีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าก็ดีในพระธรรมก็ดีในพระสงฆ์ก็ดีในสีงก็ตามนั้นเลยเพราะอย่างนี้ม่ทานพระเจ้าข้าไม่เคยยอมทานจิตใจมันคิดอยู่เสมอว่าอยากจะให้ทานเห็นสัตว์ก็อยากให้เห็นคนก็อยากให้ทางรางที่รึงให้กำลังใจมั่นคงแบบแบงคเขาจัดว่าเป็นเป็นชานตายแล้วก็เป็นรม ด้ความดีมากๆอย่างนี้ก็และการบรรจัยกรรมฐานของบรรดาท่านพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอริยะเจ้านี่เป็นไม่ยากยากาเสเรื่องเรื่องเล็กๆนะการเป็นพอริยะนีเรื่องเล็กๆบางทีมเมล็กไปจากเกินไปอย่างลูกเข็นเนี่ใส่ใส่ส่ใได้ไม่ถูกเข้าไม่เข้าไม่นนะ รารเจ้าจริงๆเบื้องต้นก็เป็นเฉพาะด้านอนุสติคืออย่างเระโสดาบันก็ดีพระสกิตาธรรมีก็ดีนี่เมียกีีแท่อนุสติเท่านั้นคําว่าอนุสตินี่แปลว่าตามในสกถงคือยอมรับและถือด้วยความเป็นจริงอย่างหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์สเคารวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระ อ, อริยสง สามมีสินบริสุทธิ์แค่นี้ถ้าเรียกว่าประสดาบันไม่มีอะไรยากเอาก็จริรุนเปล่าตนนี้ก็มีว่าการปฏิบัติกรรมฐานจริงๆเยอะจะพูดเลยไปมีไม่มากอันดับแรกรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเพื่อการทรงสติสัมปชัญญะการที่สองภาวนาและพิจารณา ภาวนาก็ได้พิจารณาก็ได้คนจะทํำกู่คู่กันไปภาวนาบ้างพิจารณาบ้างสลับกันไปสลกันมาบางครั้งถ้าจิตไม่ต้องการสังข์เราก็ใช้ภาวนาอย่างพุทโธเป็นต้นจิตทรงตัวเรืยเรื่อยบางครั้งถ้าจิตไม่ชอบคิดจิตมีสภาพะสองอย่างบางครั้งไม่ชอบคิดทรงตัวมไม่อยู่แล้วก็ต้องคิด คิดเกิดคิดวิธี ง, ง่ายๆคิดหาทางบริพันธ์เลยคิดว่ากายเกิดเป็นคนนี่มันเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีใครมีความสุขมีเงินเดือนก็จะได้ดเงินเดือนมาจิงก็ต้องเดือนใช่หไหมลนะ่ะก็ถึงเดือนก็ถูกด่าบ้างถูกบ้าบา้ามังถูกใครคอบ้ า, บางถูกการแกล้งบ้าง แ, งางแสนจะลำบากกายที่ได้ทรัพย์สินมาก็เต็มไปด้วยความทุกข์คนที่ประกอบกายค้าขายก็ ต้องมาทุกหนักตอนนี้ยอยโกหกแบบไหนได้ตังง่ายว่ีสินสินค้าขายนะเอาไงดีกระเป๋าลูกนี้ซื้อมาสิบบาทจะขายร้อยบาทเพราะาฐานยินนี้ฉันต้นทุนจริงๆมันก้าวเดก้าวบาทนะเอาก็าแล้วเห็นไหมเนี่เขาเียข้าวพูดหม่เป็น ถ้าพูดเป็นบอกว่าต้นทุนมันแพงชั้นขายต่างกว่านี้ไม่ได้คําว่าแพงไม่จํากัดเห็นไหมก็รงความว่าก็มีการบกท่องบางของธรรมดาท่านี้ในเมื่อมีบุญมากๆอย่างนี้ทุกคนอาจจะคิดกลาดว่าเราจะไม่ลงอาบายภูมิท่านี้อาจจะเป็นได้แต่ว่าถ้ากลับมาเกิดใหม่มันเจะมีความทุกข์ถ้าคนหาทางไม่กลับมาเกิดใหม่ดีกว่า การจะเรียกรรมฐานจริงๆก็หนึ่งทั้งหมดรู้เราไมใ่ใจเข้าออกจะลืมรการที่สองนึกถึงพระพุทธเจ้าอันดับแรกนะก่อนจะภาวนาอย่างอื่นนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนด้วยความเคารพสองนึกถึงพระธรรมคำสองสองก็ท่านบางตอนตอนใดตอนหนึ่งก็ได้ที่เราชอบใจด้วยความเคารพแล้วการที่สามนึกถึงพระ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อริยสงฆ์ด้วยความเคารพ เอาเพียงแค่นี้ก่อนเพียงแค่นี้นะบรรดาท่านพุทธวิสัชทุกคนลงมารกไม่ได้อยู่แล้วไปเกิดมในใบหญ้าโฮโฮไม่ได้แล้ว <c oughs> อันนี้ต่อมาถ้าเจริญสูงกว่านั้นก็ใช้ปัศนาญาณที่ปัศนาญาณมีอะไรถ้าอย่งอ่อนก็นั่นถึงปลยายลักษณ์ส่วนใหญ่เลยอันนี้จังทุกขังอนัตตา ว่าของทุกอย่างในโลกเนี่ยมาเต็มด้วยความทุกข์เราก็ทุกคนอื่นก็ทุกทสั์สินต่างๆเรามีมากเราก็ทุกเรามีน้อยเราก็ทุกไม่มีใครมีความสุขในเมื่อมีทุกข์แล้วตอนนี้ขอโทษนะเพราะเรื่องทีจังเป็นขอไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงคนเกิดเป็นเด็กเรมาเตเป็นครูเป็นนมแล้วก็เป็นคนแก่แล้วไปคนตาย ขณะที่สมองการอยู่ก็มีอาการป่วยไข้ไม่สบายมีความผิวมีความระหายมีความเดือดร้อนมีความเหนื่อยอันเป็นนิจจังเมื่อเมื่อเป็นนิจจังแบบนั้นแล้วทุกขังเมื่อเกิดพวกเราต้องการมาให้มันมันมันในการคงตัวเมื่อเมื่อมันจะแก่แล้วม่ต้องการให้มันแก่มันจะป่วยแล้วม่ต้องการให้มันป่วยมันจะตายไม่ต้องการให้มันตายแต่น้นที่สุดทุกแง่หน้าตามมันก็ตายหมด เรียเป็นไปปัจจัยยานตอนต้นถ้าเป็นเรื่องปัจจั ญ, ญานตัวสุดท้ายเราจะกินปูงเ่ากินหางเลยใช่กินหัวแล้วก็กินหางตัวสุดท้ายก็ยังมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าคนทุกคนที่เกิดในโลกนี้เพราะอาศัยอวิชชาหรือความโง่ถ้าตัดอวิชชาความโงไม่ไปได้แล้วไม่มีใครเป็นคนต่อไป คำว่าไม่เป็นคนนั่็หมายความไม่ไม่เป็นคนช า, ชาตินี้เป็นคนแน่ถ้าตายจากชาตินี้แล้วไม่เป็นคนแล้วก็ไม่มาเป็นคนอีกถ้ามาเป็นคนอีกเมาาื่อไรมันก็มีความทุกข์เหมือนนั้นเพราะบาปที่เราทำไป ม, มันมีการสะสมตัวมันไมน่มันไม่มีไปในที่สุดเราก็ถือตัดอวิชาขึ้นหนึ่งอวิชชาถึงแยกไป็สองศัตว์โดยฉันทากับราคะอันนี้มีในขันธวัช เคยฉันทะมีความพอใจมนุษย์สโลกเทวโลกสมุทโลกอยากจะอยู่มนุษย์โลกอยากจะอยู่เทวโลกอยากจะอยู่สมุทโลกในฉันทะราคะมีความเห็นว่าคือความรู้สึกว่ามนุษย์โลกเทวโลกสมุทโลกมีความสวยสดงดงามน่าอยู่ความรู้สึกทั้งสองประเภทนี้คือความรู้สึกของคนโง่คืออวิชชาต้องตัดทิ้งไป ให้มีความเข้าใจตามความเป็จริงว่ากายเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าจะเกิดปเป็นเทวดานางฟ้าหรือลมถ้าหมดวนวัฒนนาบารมีลงมาเกิดใหม่ก็มีทุกข์ใหม่เวลาหรือ17นาทีจะเล่าเรื่องอะไรตังแต่เรื่องหนึ่งแก้งงงให้ฉันเองฉันก็งงเขเพูเดถึงอะไร แปนว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้จะมีบุญวาสนาบะยงเงียบใารมีแบบไหนก็ตามต้องถูกกฎของกรรมเดิมลงโทษมัจึงยิ่งคิดว่าเราจะเริงกรรมาฐานแล้วลายฐานบา ร, รมีแล้วเรามีศีลแล้วเราทาทุกอย่างแล้วจะเกิดมาใหม่มีแต่ความสุขนี่ขอยืนยันว่าคนที่จะไหวสังฆทานแล้วมาเกิดใหม่เป็นมหาเศรษฐีทุกคน ถ้าไม่เชื่อให้ต่อว่าฉันอา้าวเจริญญาจะว่าจะไม่เชีว่วจำได้ตั้แก่นี้นะจะเอาสัญญายจะปรับไหมยังไงทั้งนี้ยอมจะตายไปก่อนนึอะตายไปแล้วไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าตุวเนื้อไปแล้วกลับมาเกิดเป็นคนใหม่ถ้าไม่เป็นมหาเศรษฐีฉันข อ, อยืนยันว่า จะต้องชำระนี่ให้ให้คนละสองปอร์เซ็นตครึ่งพ อ, อย่มยังได้นะจะยกตัวอย่างให้ฟังถึงแม้เป็นพระอริยเจ้าก็ตามมันไม่พ้นกฎของกรรมเอาเรื่องย่อๆเวลามีนิดดียวซึ่งจริงยาวสามวันไม่จบ ถ้าเรื่องย่ยอๆอย่างเรื่องพนังสาวมาวดีพนังสาวมาวดีนี่มีผู้หญิงคนใช้ค น, นง่งเนหลังค่อมุูปราหน้าตาดีๆใช้ออกจากบังไม่ได้ครับเพเดี๋ยวหนีตามผู้ชายไปหมดไม่ใช่ผู้ชายสุดไปนะ่นก็ได้แต่หญิงหลังค่อมคนเดียวใช้ตัวือดอกไม้ ยินหลังขอมนีนิจิโอคุปุตุตราแกก็เป็นคนฉลาดวันหนึ่งพระจะอุททนให้ค่าดอกไม้ท่านสามาวดีวันแปดตำเหลืองแกว่าไม่ค้อมี่ใจก็บอกแล้วว่าฉลาดไม่ใช่คนโอ่ใช่ไหมแกก็เก็บไว้สี่ตำเหลืองซื้อมาสี่ตำเหลือนี่คนฉลาดเป็นแบบนี้นะ ต่อมาวันสุดท้ายวันนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จเมืองนั้นก็พอดีในมาลาการคนประจําสนดอกไม้ของ ม, าองมหาเศรษฐีและมีมนพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยสาวกกว่าพงกนี้ขอเลี้ยงพระขอถวายทานกับระสงค์มีพระพุทธเจ้าเประานพระเจ้ากขอขอับสรัตน์นางคุจุตระาก็เอาเงินแปดําลึงไปที่สี่ตำลึงยังไม่ได้เก็บเพาเก็บเดืนหลัง ไปถึงนั้นมันลาการบอกว่าเรื่องดอกไม้ไป็นแค่ของแปลกเตจมไปแล้วเพราะว่าการถวายทานมีพระพุทธเจ้าหรือทานมีพระหลาไม่สาวกถหาไม่ได้หายยากช่วยการถวายทานก่อนเสร็จได้จะจัดดอกไม้ให้เธอจะช่วยเมื่อช่วยทราบพระพุทธเจ้าฉันเสร็จขั้งประเทศเพราะว่าโมทนาก็คือเทศโมทนาบอกถึงอะไรสองความดีที่ทํา โกจุตราฟังจบเดียวเป็นปโสดาบันทำไงอะปโสดาบันสินห้าต้องครบเลยวันนั้นเลยซื้อดอกไม้แปกตำลึงพ <c oughs> อมาถึงมันนาวสามมาดีก็นาวสามนี้ก็แปลกใจถามว่าทำไมพระราชาให้ข้าดอกไม้มากวามากว่ามากกวันก่อนหรือเธอก็บอกว่าให้เท่ากัน แต่ว่าวันก่อนฉันแบ่งไว้สี่ตำรึงต้องบอกทรงไปตรงมาโสดาบันนี่ไม่คดแล้วคนที่พอจะเชื่อได้ทางนั้สงฆ์ก็ถือว่าต้องเป็นประโสดาบันที่เป็นพยานนะะยังเรื่องที่เกิดขึ้นยังไม่แน่นะยังไม่ถึงระโสดาบันนี่เขาไม่ยืนยันไม่รับรองอันพูดเลยแน่ตรงตร ง, ตรงคว า, วาจริงฉันบอกว่าต้ให้แปดตำรึงพนาวสามเมาดีก็บอกว่า แอีกสี่ตำลึงที่เธอเก็บก็เก็บ่อบไปได้ไงเขามีญาติถ้าสี่ตำลึงก็พอเขาบอกไม่ได้แล้วพระเจ้าเทวแล้วผอกบาปถ้าที่เอาไก่อนคืนเปล่าไม่ทราบบาลีมัจะบอกนะแล้วเป็ น, นว่าถามว่าทาไมจึงไม่เอาก็บอกว่าวันนี้ไปไปซื้อของไปพบพระพุทธเจ้าในมารการเขาเขานิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต เลี้ยงพระพอเลี้ยงเสร็จเทศจบฉันฟังแล้วฉันเป็นประสูดาบัน <c oughs> ยิงทัห้าร้อยมีคน น, า, นาวแสมาวอดีเพื่อมาทานก็ขออยากจะฟังเทศบ้างเืวอบ็บอกฟังเทศนระฟังได้แต่ต้องหนึ่งต้องมีอาชนะสูงกว่าเวลาผู้เจ้าเทศจะมีอาชนะสูงกว่าคนธรรมดาต้รยการที่สองต้องแต่งตัวสวย แต่การนี้สามต้องอาบน้ําก่อนเขาเอาน้ำหอมอาบภรายสิบหกหม้อแต่ตัวได้สวยจนจัตมาไทยเธอก็เทพแต่ความจริงเทพดีมากพระพุทธเจ้าทรงสนรเสริญภายหลังทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในในการแสดงทางขงั้วสตรีที่เก่งมากเธอก็เทพในดีล่าเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าไว้ใช้เล่าใน ใ, นใจความ พระเจ้าพูดแบบไหนจามหมดทุกคำว่าเลยดีลาเหมือนการเสร็จพออู้หงทั้งทุกคนฟังก็จับใจพอแทะจบอีกห้าร้อยคนเป็นประโสดาบันเห็นไหมละ่ะต้องอย่าเยาะนะ <c oughs> <c oughs> เวลาเล้วจิตตะีเวลาเป็นไงมันทองเ <c oughs> นี่เยเอมานั่งเหนี่ยวไส้ไปสส้สักทีคนอไส้ขึ้นเดงอไปไส้ขึ้นเด้งออกไปเนี่ยเป็นทอง ใช้ก็เหมือกันเดี๋ยวเขาจะไหวของอัฐิอ้ไรอย่างไรของก็ไปนั้นว่าเมื่อฟังเทศจบเป็นพระโสดาบาันต่างคนก็ต่างตั้งใจเคารพพระพุทธเจ้าออกขอสัตย์ยอดไปเลยเนนั้นว่าความเคารพของผู้หญิงห้าร้อยตำหน่งคนคือหญิงเป็นบริวารห้าร้อยแล้วขนาสาว ม, มาวดีหนึ่งเป็นห้าร้อยตำหน่งคนเคารพในพระพุทธเจ้ามาก <c oughs> อันนี้มีเมียมากอีกคนหนึ่งไม่ใชเมียน้อยพระเจ้าเท็นมีเมียสามคนพ่านนางวาสุนตานเป็นคนแรกสองก็เปนาสามเมาดีสามท่านนางอะไรวะท่านได้ิเชโลมาคัมบิยาเขาจะเก่งกว่าฉันเขาเร่งเติมทะเลอันนี้เมียคนแรกไม่มีเรื่องยุ่งแต่ว่าพระเจ้าเท็นก็มีเวลำบากเหมือกันก็มีเวร ต้องไปนอนห้องละเจ็ดวันให้เจ็ดวันบังเอิญวันใดวหนึ่งย่ อ, น, อ น, ย น, ยนสมรรถภาพไปแย่มันกันนะให้ขาดทุนก็ลงความว่าต้องไปนอนห้องละเจ็ดวันจะจัดเวรกันใช่ไหมในเมื่อสรุปแล้วในไทยสุดขอนเล่านัดลับเวลามันเหลือไม่ใชงเศรษฐีพ <c oughs> นาสา ม, มารถบดีกะหญิงห้าร้อยถูกพนามาคันธยา ให้น้าชายไปเท้าประศาสาทอาน้ำมันไปบอกว่าเอาน้ำมันไปทาเสาบอกว่าทําไม่ไหม้โฟลเซนตกจะกินปราสาทเป็นกระดาษไม้พขบรรดาพระแม่เจ้ากันไหลเข้าอยู่ข้างในพอเขาอยู่้างนอกเขาปูซีหน้าต่างก็ไม่มีประตูก็ออกไปได้เขาก็ไฟจุดไฟจุดไฟเสร็จ พนางสามาวดีก็กเขาประกาศเห็นแสงไฟพวกเราจงอยากโกรธแต่พนางมานางพนางอะไรแล้วพนังมาคดียาจยากโกรในหน้าชายของพนังมาคดียาพวกเราที่ถูกไฟไหม้คนนี้ก็อาศัยมีกรรมเป็นเหตุ <c oughs> แตนความจริงท่านเป็นพระอริยเจ้าหมดแล้วคือโสดาบัน อาสายไฟยที่จะไหมเข้ามาจิตจะนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นึกถึงพระพุทธเจ้าไม่เจื่ความตายเข้าาถึงแล้วจะมีมิจ่อไฟจิตใจก็ละเอียดบางท่านก็เป็นสุราคามีบางท่านก็เป็นอนาคาามีตัวความบ้างเขาเผาพระอริยเจ้าห้าร้อยกําเนคนในองค์ต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับอยู่บรรดาพระสงค์ก็เข้าไปถามองค์สมเด็จพระพุทธมุคคุณนี่ต้องรักมากจี๋เดียวดังเวลาเนี่มีน้อยก็ถามว่าพันเตภะกวาถ้าแต่องค์สมเด็จพระพูทมีพระพาเจ้าพูดเจริญพระพุทธเจ้าค่ะเพราะเหตุดายดิ๋งห้าร้อยมีพระนาสา ม, มาวดีเป็นประธานเป็นพระอาดีตเจ้าด้วยเป็นคนดีมากถ้ามีความสงสัยในองค์สมเด็จพระพูมีพระพาคเจ้ามากทำไมถูกไปเผา <c oughs> พระพุเจ้าก็าาทรงตัสว่าพิฆเวดูก่อนพิสุทธิ์ทัหลายยิงห้าร้อยนี่สมัยช่ายก่อนเป็นบริวัยของพระราชาโอึ่งแต่ไม่ดีนะทางไปด้วยก็นม่ไปด้วยเป็วพิพัฒนาญาญไปด้วยนะพิพัฒนาญาญคือตัวปัญญาให้รู้ว่าถ้ากลับมาเกิดอีกมันมีทุกความทุกอย่างนี้ขึข้นกรรมมันตามทันบาปที่เราทําไว้ทั้งหมดมันเข้ามาตามทันถ้าเราไม่มาเกิดมัตามไม่ทันหรอก เป็นเทวดาอยู่ก็ดีเป็นพรมอยู่ก็ดีมันตามไม่ทันลราไปนี่พ่านไปเลยยื่งไปทันใหญ่อ <c oughs> แม้บอกว่าในสมัยนั้นพระราชามีความเคารพพระประเจ้าพระเจ้าองค์หนึ่งแต่บังเอิญพระประเจ้าพระเจ้านั้นหลังค่อมยังไม่พูดเรื่องหลังคอมก่อนวันหนึ่งพระราชาจะไปสมสนาณ์ <c oughs> ที่ชายทลให้ชายทะเลก็เป็นป่า พรเอิญพระบาเจพระเจ้าดัา ใ, นในดส่เข้านี้โรทัสมาบัติชายทะเลในพุ่มไม้มองไม่เห็นตัวเมื่ออาบน้ำเสร็จบรรดาชาวบางทั้งหลายก็สุมไฟเอาปืนมากองกองแล้วก็สุมไฟเอาไปกองทัพพระบาเจพระเจ้าเาขาบองไม่ได้พอสุมไฟไฟไม ห, หม้มอดุงไปแล้วเห็นพระเกศเจ้านั่งดังคือคือ นึกในใจจําได้วันนี้เป็นพระพุทธเจ้าที่ราชาเรามีความเคารพถ้าพระราชาทรงทราบว่าเราเขาก็เป็นเจ้าเจ้าเราต้องปกป้องชีวิตแน่ในตอนก่อนนะว่าไม่ไม่ไม่สร้างใจสมองไม่บาปในไหนท่านก็ตายแล้วเผาให้หมด้ากไปเลยเอาฟืนมาทับให้มากเผาอีกอีนั่นบาปแน่ท่านฝากรอยหลัง พอหลังจากนั้นเจ็ดวันพระเสจเจ้าถทวลูกเดินไปตามสบายที่โลท้าสมาบา ท, ทิี่ทำอะไรไม่ได้นะขนก็ไม่ใหม่นะของก็ไม่ใหม้ <c oughs> คนที่มีเห่าก็ไม่เกิดประโยชน์เขาก็ไม่หมดหัวเขาก็ไม่ตายก็ไปนั้นบอกว่าอาศัยที่หญิงทั้งห้าร้อยในตอนหลังมีเจตนาเผาพระพุทเจ้าจากชาติที่จะส่งเผาได้ชาตินี่ถ้าเราจับบเกิดมนุษย์ตยนนะ แล้วก็ถามต่อไปว pues ่ายังมีสาวใช่คนหนึ่งชื่อว่าคุสุตระทำไมจะเป็นคนมีปัญญามากเพราะเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าในฐานะที่พระพเจ้าองค์นั้นราชามีความเคารพวันหนึ่งเมื่อเข้าไปในเมืองใหม่มีคนก็ใส่เข้าต้มร้อนๆดีไหมล่ะบาดเหล็กเข้าต้มร้อนลองคิมดูกับเราสิมันทำบุญแบบไหนก็ไม็เคยรู้ ตายไปชาติหน้ากระคอคือพังหมดอันนี้เกิดมาไม่มีคอท่าเอามือซ้ายถือบ้างมือฝาถือบ้างผายจมปลายจมมาโคจุตราออกไปจากวังไปเห็นเข้าก็ถอยกอายํ า, าไล ม, ม, ม, มือถวายท่านว่าร้องไม่เหวร้องใช่ไหมว่าถอยกาไลมือถวายท่านท่านก็มองหน้าเธอก็บอกถวายเลยเจ้าค่ะท่านหม า, ายความท่านจะชำระนี่แกนเราส่งให้ที่ไหนเนะี่ยถวายเลยแล้วก็ แล้วก็ขอขอพรว่าทําใดที่พระผู้เป็นเจ้าบรรลุแล้วอย่าลืมนะคานี้สำคัญมากนะทําใดที่พระผู้เป็นเจ้าบรรลุแล้วขอฉันบรรลุทํานั้นด้วยเถิดเจ้าข้าพระปฏิเยห์พระเจ้าให้พรว่าเอวังโหสุซึ่งปแปลว่าเจ้าปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ฉังนั้นของความปรารถนานะ อันนี้แนหะเป็นปัจจัยให้นางกุตราเกิดในชาติหลังเป็นหญิงที่มีปัญญามากหญิงละห้าร้อยคนมีบนาสามาวดิพประทานต้อนสายคนนี้แล้วก็พระก็ถามว่าในเมื่อกุตตราเป็นอย่างนั้นแล้วทําไมคุณกุตตราจึงได้เป็นคนหลังค่อมเอาแล้วถ้าก็แน่เหมือนกันถ้าไม่แน่เราก็ไม่รู้ท่านก็ต้องสงสัยมีบุญมากทีนะ้ พระพธเจ้าตรัสว่าวันหนึ่งบรรดาสาวช่นหลายเวลาที่พระราชาพระพระเจ้ามาคุตรานี่เป็นคนคล่องตัวมากแต่หญิงสาวชายคนอื่นไม่เคยเห็นพระเจ้าพรพุทธเจ้าก็อยากจะถามว่าพระเจ้ารูปร่างเป็นยังไงเธอก็ไมปพูดเฉยๆก็หยิบผ้ามาสบายเฉียงเข้าเอาขันมาอุ้มเข้าทําเดินหลังค่อมๆนี่พระพู้เป็นเจ้าที่ราชาเขาเป็นคนมีลักษณะเปอย่างนี้ เลยเกิดเป็นหญิงค่อมห้าร้อยศาสตร์ขอยากเป็นก็เชิงเป็นได้ทานสบายนะดีมาาันจะงเงนยหัวไม่รับผลเอาหลังช่วยแลวท่านก็ถามต่อไปว่าเมื่อกี้ถึงแค่เส้่ไหนนะหนึ่งเป็นคนเจริญาด 2. สองเป็นคนหลังค่อมสามทำไมคุณเป็นคนรักช้ทำไมจึงต้องมาเป็นคนรักช้ของบะราชา เขาบอกว่าในสมัยหนึ่งคุณสุตสราเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีนี่จำให้ดีนะคำเล็กๆเล็กน้อยเนี่ยเวลานั้นมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกก็มีนามิสุนีอาหนึ่งซึ่งนของหลังคุณสุราสาวรุ่นเดียวกันเป็นพระสกรราหันตอนจย็นก็มาเยี่ยมที่บ้านพอดีไอ้กะเช้าเครื่องแต่งตัวมันวางอยู่นามิสุนีก็มาวางข้างกลางพอดี เธอก็ยกมือไหว้ขอประสาณอภัยพระแม่เจ้าช่วยยู่กระช้าขึ้นแต่โกจิษอะแค่นี้เองนะขออภัยแล้วนะอย่าลืม <c oughs> แต่พระอริยเจ้านะอย่าลืมนะ <c oughs> ทำบุญนิดหนึ่งก็บุญมหาศาลทำบาปนิดหนึ่งก็บาปมหาศาลมันมีค่าเท่ากันในเมื่อเธอพูดแบบนั้นท่านนามิสุณีก็คิดว่าเราวะหยิบให้เธอดีหรือไม่หยิบ ด, ดี ถ้าเราหยิบให้เธอเธอตายจากความเป็นคนแล้วต้องเป็นชายเขาห้าร้อยชาติทนายขอภัยแล้วนะถ้าเราไม่หยิบให้เธอเธอโกรธในเราเธอต้องลงนรกเพราะการเกิดเป็นคนเป็นชายเขาดีกว่าลงนรกเึงหยิบให้ในความเววามตตาเจ้าสรุปว่าถ้าเรายังกลับมาเกิดเป็นคนบรรดาญาโยามเขาได้ชาติ ท่านทุกคนที่นั่งที่นี่คิดว่าถวายท่าสังฆทานแล้วทุกคนแต่ยังไม่ถวายพูกนี้หากสตังมานี่ถวายได้ไม่ได้คิดเอาเงินเอาทองมาแต่จะให้บุญหรือว่าสตางทุกบาทที่ญาติโยมมาทำาถวายไม่ได้ถวายสังฆทานก็เป็นสังฆทานอาตมาถือว่าเป็นสังฆทานหมดเป็นสังฆทานด้วยเป็นมิหารังฆทานด้วย ก็ถือว่าทุกคนมีสังฆทานแล้วมีมิหารทานแล้วใช่ไหมมีบุญมหาศาลแล้วถ้าเกิดมาใหม่เป็นยังไงก็ตามนั้นจะต้องเป็นมหาเศรษฐีเมื่อก่อเขาพูดเลยเวลานีดหนึงนันอยากพูดชาถ้าไม่เข็ดไอ้คนพูดเข็ดไอ้คนฟังเข็ดจะไม่แน่เลยนะแ้วถ้ามาเกิดใหม่ก็ต้องไปถูกกดของกรรมเพราะอะไรไหม เพราะทุกคนมีบาปคนที่นั่งที่เนี่ยใครไม่มีบาปมีไหมจะให้แสนล้านอย่างเนี้ยกมือดิไม่มีเลยต้องมีบาปฉะนั้นในเมื่อเรา ท, ทาําบุญนบนภาไปสวรรค์ทำบนภาสมนทรโลกบุญพาอนิพพานถ้าพาไปนิพพานไม่เป็นไรถ้าไปอยู่แค่สวรรค์ก็ดีสุรโลกก็ดีทั้งหมดบุญวาสนาบรารมีก็ต้องมาโดนกรรมบัฟเฟนั่นเอง อยาปานาทิบาเป็นเหตุให้คนมีอายุสั้นชันตายบ้างมีโรคภัยไข้เจ็บบ้างอธินาทานไปไม่บ้านบ้างสมยรักของหายบ้างลมพัดในบ้านทางน้ำส้มบ้านบ้างตาเมสุลิชาจารมีคนในบกครากรด้วยด้านวายยากสอนอยากมูดสาวาดจะพูดดีแสนจะดีเขาก็ไม่ยอมจะเชื่อสุราเมีมีคนปวดอย่างเบาไปคนปวดหัวปวดหัวมาก โอ้หบ่อยๆอย่างกลางเป็นโลกสมรส์อ hmm. ย <delivery> ่างด็อกเตอร์เป็นบ้าไอเดมัวราน้ำมันนะก็รวมความกรรมทุกอย่างมันตาติดตาเม่นเราในเมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์ฉะนั้นเขามันดย่าโยมผู้ปฏิบัตทุกคนตับสินใจชั่เวลานี้จนกว่าจะถึงวันตายเวลาทำความดีทุกอย่างไอมือสิบนิ้วเนี่ยมันไม่สึกเวลาไหว้พระสึกไหม ไม่ถึงรับมีแต่งอกมือไม่งอกก็เล็กงอกเห็นไหมเล่ายกมือไหว้พระเวลาตื่นเช้าตอนเช้าไหนยังไม่มีเรื่องอะไรสลาบพระไปที่หมอยก็ได้ไม่จังลุกปฏิหงษ์พระก็ได้ใจนึกถึงพระที่ไหนพระถึงเราที่นั่นเคารพพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพด้วยความจริงใจ ถ้าจ้างตายจ้างใจยทถานว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระพเจ้าขอไปที่นั่นถ้าตายแล้วเอาแค่นี้เวลาใส่บาตรเวลาทําบุญทุกทำทุกอย่างทําหวังนิพพานทั้งหมดไม่ต้องการไปผลตอบแทนให้ข้าวกับคนคนจะให้จะทํางานตอบแทนก็ไม่ก็สั่งให้มันเราต้องการ น, นิพพาน อะไรก็ตามเราต้องการใหนภายเมื่อเป็นอย่างนี้ทุกคนตายแล้วทุกคนจะต้องอยังต่ําต้องเป็นเทวดาและนางฟ้าต้องเป็นเว้นไว้แต่คนดื้อแต่คนดื้อไม่เป็นนะคนฉลาดเป็นก็คนจะหลายก็อย่างไระชาติเนี่ยพระห้อยคอแล้วอย่าโ ง, ง่อย่าห้อยแบบโง่ห้อยแบบฉลาดฉลาด ถ้าให้คอตอนเช้าก่อออกจะบ้างกยกมือสาธุนึกคิดาั้งโมสามจบแล้วก็นึกด้วยความเคารพก็ต้องการผลอะไรวนันนี้ขอไปที่ที่ทำงานขอสมาหาจุเนดาเลยนะเจ้านายก็ไปมาหามาหาเีือเมืองฮะมาหาเสเมืองอใช่ใช่ใมหาพ่อ เฉพางที่เช้าก็ยกมือกรารลาศรีสก่อนสร้างใจเงินก็ตังใจท้าไขให้มีเมตตามหาโยมนั้นก็ว่าไปเถอะทุกอย่างบารมีพระเจ้า่ยมช่วยได้ถ้าเมิตใสถ้าทำอย่างนี้ทุกวันทุกคนมีพุทธานุสิประจำใจเสมอถ้าเวลาจะตายลงไปปั๊บภาพพระจะปรายกดเบื้องหน้า อันดับแรกจิตอาจจะเห็นภาพที่คอก่อนทั้งท่านที่หลับตาเห้งนงั้นหน้าอยู่ไม่มองเห็นนะใคเห็นภาพพระที่คอต่อไปพระก็จะกลายเป็นพระสงฆ์หรือเป็นพระพุทธ่อนก็ได้ถ้ากลายเป็นพระสงฆ์ในไม่ช้าถ้าเราตายในขณะนั้นอารมณ์เรายัางต่ําเราก็ไปสวรรค์เอ า, อาง่ยาต่ําก่อน ในเมื่อไปถึงสวรรค์อาศัยที่กำลังใจของเราตั้งใจไว้เพื่อนิพพานในสมัยที่เป็นมนุษย์ก็จะต้องไปต่อบุญบรารมีที่นั่นเป็นของไม่ยากในเวลาทุกทุกึิ่งเดือนพระพระอินทร์มีมนพ ร, ระอะไรอะพระอินท <c oughs> <c oughs> ร์ฮะพระอินทร์มีมนพระอินทร์เรครับพระที่ศัตว์อ๋อ <c oughs> นี่มันเป็นบริษัทมาเทศโปรดแต่ก็เฉพาะอย่างนี้อีกไม่ชาภาสีหรือบางบางครั้งแตามีภาษารายขึ้นไปนะภาษีนาอนเทศแทนพระนี่กำลําบาเื็นกันงานแจขึ้นไปบางบนต้องเตรียมลงสื้อไว้ก่อนอาหารเดดใช่ฮะอาหดิบอารารตกประเทศเอดดดิดด็ดเดนี่ก็โดนโดนนักดีไม่ดีอาจะอาจจะย่องย่องอ้องพใครมันสวยมั่งเจอิญเปนีย่งแล้วแน่สักพาร์ตาเรียอ ไอ้นี้ไปดูนะอยากจะดูความจริงออนนี้แกงทุกขัองน่าตาโอเป็นไตรลักไปเลยไอ้นี่มันเสือกร้องทำใหม่ตองมันให้เขื่อนเขาบอกหลวงพ่อแก่แล้วพ่อแก่แล้วแก่แล้วตั้งเลยห้านทีมันยังร้องเลยนี่พูดเลยเวลาเ น, นี้ยนะโอ้ไม่เลาแต่มันเถอะ <c oughs> ไม่จไปแต่งมันตา่างคนต่างหลับไปเลยถ้าเราหันดิดนี่ก็ต้องเทศแนมะ่ <c oughs> ไม่ใช่ไม่เทศ ไอฉันขนาดฉันไม่ใช่พระรามยังโดนเทศเลยโดนเทศหรือไปเทศไม่จะไปเทศไปเที่ยวโอ้แม่วันแรกอายุวันแรกเลยนะวันตุม่มอะครับโอ้อาหาร อ, อาหารหันตุ่มอรหันตุ่มนั่ยังไม่ใช่อาหารหันนะไอชันโลคีจะเรียกว่าวิปัส น, นาญาณนะก็แล้วไม่รู้พราะว่าโบราณแค่ลาสอเนี่ย ท่านเอาสมัสฐากับศาสนาพนกันไม่รู้ว่าใครเป็นใครเมื่อสรุปแล้ววิปรัชนายานตั้งบ้านเมืองเช่นมาตราเพราะท่านเจาิญรอดนี่สาช้านี่เสาเรือสรัชญานันต์ท่านเลยสอนยังนง่ะท่านสอนรวมตัวเลยก็ถือว่าเป็อาจารย์ที่เจริญเพราเป็นมโหทิสันพอเข้าไปทิ้งตุ่มน้ำพับก็ส่งเครื่งส่งพุทธิเศษที่แม่โอ้ข่ายยก โอ้โหอาบตัวเก่าผืนหนึ่งนุ่งถ้าอาบตัวเก่าผืนหนึ่งคล้องคอโอ้โหไม่เข้าของน้ำแต่ตัวไงไม่แก้ผ้าเข้าบุนตัวแล้วโอ้แม่แต่งก็เต็มยศเลยนะก็ถ้าอาบอาบน้าผื้มันก็ผัดออกมาจท่นั้นใช่ไหมเฮยเ็งจริงๆแล้วตอนเช้าบอกพข้าไปแล้บอกว่าดียผมจะฝึกไปเที่ยวสวรรค์ จะไปได้ไหมครับในเล่ายาวไปเลยนะญาติโยมนะวันนี้นะเล่ามาทรงเด็ดไฝกใครมื่งก็กลับไปไม่หลับเลไม่ร่วงใครไปลาบลอยแม่นันเลยเหมดไปหมดเล <c oughs> ้วลกันหาไม่งั้นนั่งเขาเ <c oughs> ก็เป็นน้าทบอกเอาีนี้แล้วกันก๋ข้าวเสร็จ เเข้าสมาธิเข้าชันสี่นะลาบวะคอยที่วุติถ้าฉันว่างฉันจะไปแนะนาให้เอาแค่ช้นสีเนี่ยมันเรื่องเล็กแน่จริงสมัยนั้นเล็กจริงๆเพราะเสทองอังสะเรองจีวรเสร็จเรียบร้อยแล้วธมะเสร็จนะเข้าอดิตตั้งพับการจิตจบปุ๊บจเลยไม่หาใจเข้าไม่ายใจออกไม่จริงจร เข้าไปถึงยันเพนคงว่าันไม่ว่างไม่ว่างสีกองตุ้มตุ้มตุมุ้มารสี่มึงอยู่นี่ก่อนนะเวยกูอยูิงข้าวขอมีการสั่งกันได้นะได้อย่าไปไหนนะ๋ย่าใคมาจีงใคามาที่นี่ไม่ว่าใครเถียงโอ้พ้าจิ้แม่สั่งไอ้โกหกให้ฟังเอาดีนะจิตมาส่งอารมณ์ใช่ไหมใช่ไปยิงข้าวโดยฟ้าหลงกจิตก็สิ่ก็ตรงทา ยันสองยันสามใช่ไหมตอนตอนไปฐานข้าวเนี่ยยังยังคงอยู่ยังมันติดอยู่คล้ายๆยันเจ้ามาตราฐานจริงๆไม่ไ ด, ด้แบบแสบได้พกินข้าวเสร็จก็รีบมาถึงคลองจีวรสงพระตินั่งนะปับ๊บเสกจิตาสีเวลานั้นเหมือนกับเวลาเข้าพรรษาฝนแมนก้ก็อยากจะตกไม่ตกอากาศก็ร้อนใช่ไมราา้อนพอถึงบ่ายสองโมงมันร้อนจัดกายชานิดหนึ่ง หายนิดเดียวนะพอถึงแค่อุปจาระสบาร์าธิของชั้นสามมองดูพระปานแห่งแขกประมาณทั้ง200คน <c oughs> นึกในใจว่าเมื่อไรถ้าจะมาได้ในแขกทั้งส0งร้อยคนเอางี้กว่าทักฝันตั้งแตเดี๋ยวเถอะนะชั้นสีเรื่องเด็กๆก็ผ้าอาบคล้องคอเอาสบงออกตอนเจ้าออกแล้วผ้าอาบลงก่อนนะาแน่จะหลอกเขา แล้วก็ีออกใช่ไหมไ<ด>องออกจีวออกเพราะถ้าเสบีงนงหนึผืนาอ้องคอนนผืนเข้าไปในห้องน้ำไอห้องน้าก็เย็นมีสุมน้ําสยใหญ่สองสนะงจะอบาบาน้าก็เหือมันดีเดี๋ยวก่อนนั่งิงสุมน้ำทำเย็นๆก่อนหง่อแห้ก่อนพอพิงส่งน้าพัพบไอชาตอนนั้นมันเข้าแตงมาตราดันเสือกไปดาวดึงอ้ แม่ไปดูนี่นี่มันเมืองไหนก็นว่าเนืองว่ต้นไม้ก็เป็นเพชรเอฟซึ่งก็เป็นแก้วมันนี้โบ้านเมืองมันแพร่ข่ า, ขาวเป็นยับใช่ไหมคราบใว่ <c oughs> แล้วมีใจอย่างไรหนึ่งคนโอ้โเขาใจตั้งชื่อไว้ด้วยนะต้องตั้งชื่ <c oughs> อเพราะอะไรไหมครับแต่งตัวสวยเท่งวัดเลยเพชรทั้งตัวเลยโอ้โหแล้วคุณเจ้ามาโปรดหรือเจ้าค่ะ อาโหเลาโว้ยสร้างมาตัวเป็นฟังเทศกันโว้ยเขาพูดตอนนี้พึบเต็มหมดเลยเป็นพันเต่นึ้หม่ยี่บ้านเ น, นี่มันจะไม่รู้อะไรเลยร้นานนงพระโคมมาเลยขอเวลาเขาปรกเดี๋ยวปเดียวเขาเวลาปเดี๋ยวเขาก็ไปจับแต่งไปแต่งตัวใหม่ใช่เขายอมไม่ยอมมาสราบแล้วลงมาแต่งตัวใหม่ เขาแต่งตัวเสร็จก็จำภาพพม่าลายใช่ไหมโอ้เ oh. มื่อไรเวลาเขาเขาจะไปไหนก็ซื้ อ, อไม้อันไม้เท้ า, ทานะามีกระเป๋า1นึ่งอัน ม, มีบาตรหนึ่งอันใช่ไหมครับมีรองเท้าด้วยใช่ไหม oh. ล้วก็แต่งเต็มที่เลย oh. Oh. Oh. Oh. พอแต่งเตียงพี่พอพิจิหลังก็พอจะเอ๊ะเอาไปาดีกว่าณตรงนี้ไม่ได้ไป้เข้าตุมน้าเอ้โโอ้โหโอ้โหที่ไม่ไปอหเมื่อนั่งปุ๊บหลังพิงปั๊บมันไปตัมนั่นจริงๆโอ้โหุมน้ำศักดิ์ศรีไม่ไม่เปนที่สักดีอื่นไม่ได้เรื่องนั่งจะตายไม่ได้เรื่องตุมน้ำทำไมไม่มีห้องห้องส้วมในเวลานั้นนะครับไม่มีทักโซ่เพราะขึ้นไปถึงปั๊ที่เดิมไม่มีใครสับคนอ่าแล้วนะ ยายจังไรนั่นพาพวกนี้ไปหมดนะครับที่โตไอ้ที่แต่ง โ, ก โ, กโปโปไอ้ก็ไม่เอากันถอดโปโปเดี๋วไปเยียมมาเดี๋ยว ม, มีเทวด า, ว า, ดาองค<า>์หนึ่งถ้ดด า, าม่ใส่ยดานะจะแต่งตัวสวยมันถอเสืดาถ้ามาถึงยกมือไหว่จะบอกว่าเวลานี้ถ้ากโกรสีนี่มลไปที่เทวสภานเขรับท่าใจเ็ตักฝักักอะไรก็ได้นไอ้เทวสาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ใช่ไ พอตามพ่อมาก็ตามไปพ อ, อตามก็ไปท่านก็เดินลงมารับสมบัตคทุนนี่ส่งไม้มาให้โยมเถอะท่านเป็นพ่อโอ้จับอย่าไม้ไปตีใครเขา <c oughs> บนสวรรค์ไม่มีใครก็าตีและ้วหรอกดอกไม้ไปให้พระอาจารย์สองส่งบาทมาบายแล้ว <c oughs> โอ้เจ้าพ้าไม่ใส่บาทแมมันน่าเจ็บใจ <c oughs> ไม่้องส่งไม้ให้ส่งบาทให้ช่ไหมเอาตลับปัดไม้ฉันเถอะที่นี่มาต้องใช้ตลับปัดไม่ต้องบางหน้าแล้วมนมีใครก็ไอยกันโอ้โหว้ายุ่งบรรลัยเลยอันนี้ก็ไปดูในเทวสภาเต็มซึบโอ้โหแผ่พรานไประยับแม้ทั้งเทวดาทันางฟ้านะเจ้าตั้งใจดูนางฟ้าสวยๆเจ้าคนก็ดูไม่ไหวมันายเขาอะทำไมต้องไอล่ะแจตัวไม่เหมือนเขาที่ อนี้เลยไปนะใอ่มีช่างวันอยากง่นอนหมดเวลาช่างแม่เจ๊ไปที่ไหนยังไม่ได้ไหนแล้วครับพี่าน่าคอไม่คอไม่รู้ไม่ได้จำว่ามาสวรรค์เป็นยังไงเราแว่มาถึงบ๊าดท่าก็บอกขึ้นทรรมอาวแล้ว <c oughs> <expectations> <Whatever. c oughs> ถามข <c oughs> <syllable> ึ้นทำไมโยมขึ้นเทศถามเทศยังไง อ้าว <c oughs> เอาสมกษณะด้เหรอเจ้าโ ท, ท, ทเป็นสายที่สองเพิ่งเข้ า, ยาเย่ยมสายที่สองอโอยังหนุ่มเปียบเลยไงไอตอนนั้นหนุ่มแจลยแต่ว่าทุ ด, ดงมาชินชินนะเทวดานี่ชินได้เป็ น, นโตโนมาแล้วเนี่ยเรื่องเล็กเล็ก เ, เทวดานะแต่วันนั้นไม่เล็กกติกเจ้าตีเหนแกมันแต่งตัวไม่สวยแบบนั้นเห็นไมก็อีเขาก็แคล้วคลาดเป็นเพชรแคล้วคลาดเป็นยับไอคนกับแคล้วคลาดเต็มไปหมดเต็มไปตาพามใหญ่โตมาก นางฟ้าเทวดาทั้งดาวดึงมารวมกันหมดแล้วก็ขายที่หน้าเขาอ่ะแหมนึคือโยมใจใจรายจริงๆไม่เบียดได้อคือเม่น่าบนนี้กามัดยังนึกไม่ออกอ๋อมันจะเทศอะไรอ่ะเคยเทศเขาอะไรหรอเป็นมนุษย์ก็ไม่เคยเทศจริงนเทศข้างล่างนะเทข้างล่างก็ไม่เคยเทศภาษาทีเหนึ่งเทศที่ไหนยังไม่เทศอ๋อยัง้เหรอง ก่อเทพกันแรกข้าเทพสอนเทวดาโอ้โหเริ่มต้นก็เด่นแหมมันน่าจะเบ่งได้นะแม่เอาละไว้ไม่ต้องจบละตอนนี้ก็ไทยยังไงนึกถึงต่อพุทธเจ้าเออท่าทางใช้ตำรานึกถึงว่าอาการบัมบลดีก็ใสบารมีพระเจ้ามีความเคารพตัวเอง เวลานี้มีความจําเป็นมากพระอินให้เทศแต่เทวดาเต็มไปหมดก็เป็นท่อะอริยเจ้าก็เยอะบานเลยเอาไอ้หวยไปเทศสอนอริยเจ้าโหนชานโลกีเนี่ยมันอยู่ฝ่าขุมนรกนะเราฆ่าอริยเจ้าเสร็จไแล้วไม่มานรกแล้วดันไปเทศสอนท้าอริยะพวนึกถึงพระพุทธเจ้าตัวเองพระพุทธเจ้ามายี่ข้างหลัง แม่ใจดีสุดท่านบอกเทศตามความรู้สึกท่านจะโดนใจให้ก็เทศประเดี๋ยวเดียวเทศเรื่องขันห้าแม่แจาว่ายแจวสบายสบายเรออารมณ์มาออกมาเลยนะท่านท่านท่านโดนใจให้เรื่องขันห้าจบถึงระหันพอถึงระหันจบเสร็จเรียบร้อยวก็เอวังจิม แต่ไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได่ไม่ได้ไปนะอเพราะว่าเจ้าบอกว่าคุณกลับได้แล้วนะข้างล่างทีสองแล้วอเพีพอเดียวเขาจะนึกว่าตายแต่ไม่เป็นไรเราท่านปานยิงยืนเฝ้าหน้าประตูท่านบอกเสร็จก็เลยลาเทวดาดาเทวดาทั้งหลายก็ต่างคนต่างวันหลังนีมนใหม่ในครอครับอืันนี้เพศเรื่งเพศ เราเลวเทศซ้เหลือเกินท่า น, นบารมีพระพุทเจ้าท่านดุนใจเราเทศเพื่อกลับลงมาตอนตอนกลับลงมานี่มีเครื่องโกงเครื่องกันอะไรรใส่ออ <laughs> ออไว้ในรถ ถ้าจังแดงก็ไม่ได้ที่ก็เย้เย้เม็ดเงินไม่ให้ขี้เหนีอวบนไหล่ที่ว่าได้ร้อนใจดำจำนะโยมนะอย่าสิ่งไปอย่าไปยาวได้อย่าไปเที่ยวท่ไหนเสียเวลาเปลาโอ้โหคอยสายลมยังได้ตังค์ว่ะยังดีกว่าเย้เย้ก็เป็นอันว่าอลงมาปั๊บเข้าร่างกายเกิดความรู้สึกร่างกายิดความรู้สึกใช่ไหลืมตาทำไมนกปานยืนอยู่หน้าประตูโอ้จริงเลยจริงๆ ห้าคนเข้าไปแตะต้อ ง, งท่านรู้ว่าไปแล้วท่านมาเลยท่านทิ้งแขกเลยนี่ยท่านมายืนนั่งเข้านั่งนาวทะลนั่งมาใครก็เข้าไปได้ใช่ไมครับครับต้องปานด้วยไอ้สองคนมายืนอยู่ข้างๆไปต า, ามเลยไปบินบากที่เมืองเทวดาได้รมาบ้างแบ่งบ้างเฮ้ยแหววลายคาสับเลยนะ นั่นถ้าไม่เกรงใจพ่อปานเตะแน่เอาแน่ตอนกำลังเลี้ยอยู่นะกัเลี้ยนกันสามตัวแหละอไอ้มึงทีหลังถ้พูดอย่างนี้ทางพ่อมาอยู่นะล่างเชิดแน่ตีงกูนะไวกวากมือเยอะแยะโอ้ยสัตอนตีไวมาก<อ><อ>เตะต้นกลวยมาตั้งอะไรล้ม อ, อ, อ่ะเ<อ>ตะสองเท่าเลยนะล้มแน่อย่างเสเนี่ยป๊บเดียว เอาหนักตนเอาหนักครับาผ่านเราพิพยาอยู่ข้างไม่เก่งออกข้างไม่เอาดั้นเตียวสารเตียวปลายแทงและคมฟันใช้ได้หมดยังตัดรีก้้ยที่ที่ออกแล้วใช่ไหมสุดแล้วข้างใช้มีอข้าไม่จัดครับโอกตามเป้าหมายก็รวมความว่ากลับจากเทวดาเมื่อกลับมาแล้วไปไหนก็ไปอยู่ที่นี่ แต่ทำไม่อยู่ไฟที่ลมก็ไม่จะจบกันเลยโอ้เฮ้ยได้ไหมแล้วออคำ ว, ว่าขอทุกคนจงอย่าลืมน ะ, <ล>ะว่าบุญเรามีแล้วจงอยากที่กลับมาอีกถ้ากลับมาก็ดูตัวตัวอย่างพระนางสา ม, มาวดีอติดห้าร้อยใช่มถูกขาดต้องถูกไฟเผาไหม้เพราะกฎของกรรมเก่านี่เราทําอะไรไว้ั่งเราก็ไม่ทราบ ถยังคุณจุติยังคุณจุตรลาไม่กันใส่ลอบพระเบเยพระเจ้าคนหลังโกงตามท่านไปห้าร้อยชาติยังแม้ฝากถ้าก็ถวายกําไรมือลองบาปเป็นเหตุให้คนมีปัญญาไปว่าไปใช้พระนะไปไปใช้พระหันเข้าไม่รู้นะหันเป็นรู้ไม่ใช่ไม่รู้จะขอภัยแล้วนะอ๋อไม่ขอภัยก็ไม่มีผลนะนะขอภยัยเธอว่าแม่เจ้าขอช่วยหยุดกระช้าเพื่อนตัวให้ด้วย มีขอให้แล้วนายยกไม่ไหวแล้วนะถ้าถ้าหลานคิดด้คิดว่าถ้าเราไม่หยิบให้เธอเธอตายต้องลงนรกมีความลาบากมากไหมไฟไหมทั้งวันยิ้มไม่หง่าหง่านบานถ้าเราหยิบให้แต่เธอเธอต้องเป็นคนรักใครร้อยห้าร้อยชาติเป็นคนท่าเป็นท่าเขาดีกว่าหยิบให้หยิบขอเมตตายังขอทุกคนอย่าประมาทอย่าด้คิดว่า ในเมื่อเราพบพระพุทธศาสนาว่าพบแบบนี้มันโชคใหญ่มากแล้วนี่นาขนาขณะพบคนเพศสอนเทวดานี่มันไม่ค่อยพูดล้วจะหาว่าคุยนะ <c oughs> แต่ความจริงไม่ได้เทศเองนะพระพุทธเจ้าโดนใจ <c oughs> ก็ยังดีคนาคนที่มีพระพุทธเจ้าช่วยต่ไม่ค้อยนะโองเดินต่อไปอีกใช่ไหมขาดเพศไม่ได้อะไรเลยยังคุยนะอย่าพูดด แบบอดทางถูกอาออดไม่ได้เลยทุกคนะฮะ <c oughs> แล้วก็นึกใหม่ใจว่านี่ไอ้เพชรลงไหนมั่งไม่ใส่ไม่จะใส่บ้าใส่ย่ามกลัวย่ามก็ ว, าก ว, ว่างใช่ไหมอ้าวนั่นแล้วเฮยแล้วก็เฉยโยมมาสง่งแต่เดวดาทั้ง50องค์มังมาส่งทางนึงต่างทางลงไม่ให้อะไรเลยโอ้โหใ้ขนาดโยมนะ ยันนินทาท่านในเรื่บาปเป็นเรื่องพ่อนี่เล่าให้ฟังเหรอไล่าหรอไล่ฟังันเป็นระเบียบทงเขาปลยเขาเป็นระเบียบไม่ใช่ขี้เนียวั่านใจดีก็เป็นนั้นว่าเขาไม่ได้ย่าโยมพุทธบุตรทุกคนตั้งใจเอาจะเฉพาะนิพพานตรงเลยนะมันจะไปข้างที่ไหนก็ตามมันต้องไปนิพพานอ ถ้าไปข้าวพิศวรแล้วก็ต้องเจ็บเราอรหันอรหันได้ไม่มีมากานะน้อยนะปัจจุบันนี่แหละครับปัจจุบันเนี่ยไม่เชื่อต้องเชื่อนะมีมากจริงๆไม่ใช่มีน้อยผ้าเล็กผ้าน้อยพระเด็กๆที่เป็น้านหลังก็มีที่ปเปนเจ็บหนุ่มๆหน้าเฉาเ เขาเรยกหารก็มีไม่ใชจเาจาจะพระแก่แก่ไอ้ที่แก่ไม่จะเรื่องอะแยะไปอ๋องบว้าวเขาโหลเวลาทั้ใช่ไอ <c oughs> ้พระกลางหันก็บานเจ้า <c oughs> อยากจะดีอยากจะเด่น <c oughs> เกระสินใจก็อวดตัวฉันเป็นพระอรหั น, ฉ, น, หนฉันรู้นั่นฉันรู้นี่ไอ้คนที่ใช้ไม่ได้รป็นรกบมดอ๋อเปน็นโรคเป็นแถวแถวถ้า <c oughs> พระอรหันจริงๆฉันมีคำมาอวดตั้งแต่พระโสดา บ, บันไปในเกียรติเงียบอ๋อ ให้เก็บตัวนะถ้าไม่แสดงออกค่องข้างท่าทางก็ไม่แสดงออกวาจาก็ไม่แสดงออกแต่ว่าถ้าพูดธรรมะการเจปรปลอกสังโยชนี่นี่นนมีข้อสังเกตนะนี่เนื้อแท้ในสี่สังเกตนะสังโยชน์เราสังเกต ด, ดีว่าจะไม่อาจจะไม่พูดชัดนักจะบน้องเวหาสังโยชน์ อย่างว่าใจเห็นะเมาร่างกายเกินไปน่าร่างกายเป็นแค่ธาตุสี่อาจารย์สอนี่สองในทาเนี้ต้องให้ดีต อ, องไม่ให้เมาเนี่ยเองเนี่ยให้ต็จให้ยึดเนี่ยเลยที น, น้อยยังว่าเขาบากกับผ้าตายไปแล้วแกลงส่งเลย <c oughs> สมัยพ่อเออเดี๋ยวไม่ต้องจบล เอ้ยนี่เขาหกมอกว่าขวาครับสุขใสอลิกายกรงพระบาทจาผ้าโกิษย์ใช้เป็นชันทัพกรที่อำเภอเชงหวมดลำปูนราบเขาไปถึงแล้วถามว่าวัดทีไหนมีดีบ้างเขาบอกว่าวัดรุบาจักรโอ้เมียเขายืนเข่าบอกจะไปเลยทำไมเราถ้าเอาพระปาไปถวายต้งเหมือนบาดทำมตือนบามากไโอ้หมย เราพูดคำท่านก็พูดคำเราไม่พูดท่า็แล้วนี่เลยบอกว่าถ้าไม่ถ้าไม่พูดออกไม้ทิ้มปาทั้งหมดเรื่อมาราวไปอารมณ์เสอนใช่ไบแล้วก็หยแจงไปไอพ่อพูดเองเหรอฉันพูดเองบอกเพ่อนถ้าไม่พูดเอาไม้ทิ้มปากทงแล้วกันนี่โอ้นหลวงพ่อก็ไม่เบาเหมนันะเบาเมื่อไรเราแต่ความจริงรู้สึก ว่าถ้าพูดอย่างนี้มีเรื่องทะเลาะกัน<อ>ถ้าไม่พูดอย่างนี้ไม่มีเรื่องทะเลาะกันหลับใช่ไหมหลาเข้าไป <c oughs> ใครก็ไม่เข้าไป็นนวีหันแค่มาลัพธีหารที่รักแขกของท่าน<อ>พวกเข้าไปเท่าเอามานึงไม่คราวนี้ไม่พูดหรือนั่งหลับตาเลยอฉันบกอกก่อออกมาจังครับออกมาแล้วไม่คราวนี้ไม่พูดมาก่อนยังพูดนี่หลับตาปีพ อ, อยังเข้าไปก็ไปกจับกจับทั้งเรื่มตา ถามว่าเลพ่อทำไมไม่พูดครับบอกพูดไม่ได้ถามทำไมนะก็เคยไม่พูดก็ไม่พูดแต่วันนี้พูดไหมบอกพูดครับพูดครับถามทำไมพูดตัวไม้จิ้มปากเคยต่างคนต่างคุยกันเวลาไหนใครนึกอะไรจะมาสัญหาไม่พูดเรื่องทันทีเจโตรียานเดช อ, อถึงเวลาก็ออกมาหมดเช็งอาการกับกบารสามท่านบอกว่าท่านต้องการพบมุตถุยานหรือว่าต้องการไปเลยขอรับขอต้องการไปเลยเลยขอศึกษาสัญญาตผมก็ปฏิบัติจมวันถานเหมือนกันแล้วได้เล็กน้อยมีความเข้าใจน้อยนะครับอยากจะศึกษาสัญญาตให้ก็แนะนําสัญญาตห้าข้อถึงห้าข้อในยท้านต้นใหม่ ถึงห้าข้อเป็นมต้นใหม่ก็แสดงว่าเวลานั้นเป็นพระอนางขามีโอถ้าถึงไหนเขาจะพูดถึงนั่นเขาจะไม่ยอมพูดต่อไปแล้วรเราจะขึ้นต้นใหม่เพิต่ต้นใหม่ตามข้างแม่รู้กันแ<อ>ล้วใครจะมาเก่ยวกับกาถามว่าตั้งใจอยู่แค่นี้จะไปเลยไปเลยดีวยกว่านะที่สองคราวทีไปใหม่ถึงกับกราบวันนี้เทศสยโยทั้งสิบนะเบ่งแล้วด้วย <laughs> อ้าทำไมถึงเอาสิบเลครบเขาก่อนห้าเขาก่อนมาพบกันใหม่ๆแค่ซึ่งเดียวก็พออฉันมีซึ่งเดียวซึ่งบาทต อ, อนนี้มีเข้าเต็มบาทแล้วเอาจะกินเต็มบาทก็จะบอกให้ก็เลยบอกให้ถ้าสอนแบบง่ายๆแบบสาสอนคนได้นะ<า>คนทําได้นี่ไม่มีอะไรยากไม่ใชพูดยาว เ, ยยเาหเเยียดไอ้พูดยาวเหยียดต้องไม่ต้องห่วงมันไม่ได้อะไรแ <c oughs> พูดง่ายๆสั้นๆประเดียวเดียวสัญญาสิทิ์ ถาบ่าคนอย่างผมจะมีโอกาสไหมบอกว่าถ้าคนอย่างท่านไม่มีโอกาสคนอย่างผมก็ไม่มีโอกาสเราก็ใชกับคนผมพูดคนเขาดูดึงแตงก็ไม่แน่ไม่ก้อยนะคนเหมือนกันเลยไดเลยคุยเส้นไหลคุยเส้นแล้วพอตอนหลังๆมาไปไปวัดบัวทำไม้ชายท่านป่วยท่านลุกไม่ขึ้นนะให้ไปแจ้งหน่อยคุยพรฉันก็ไปท่านลิบลุก ก็ยิ้มลับไม้จากมือต่อเราไปด้วยกันนะโอชวนเลยเหรอครับชวนเลยใจก็นิ่งเนี่ยไปแล้วโอก็คืนรับป่าจะไปด้วยกันใช่บอกไปด้วยกันลำแขกเอ๋เราอยู่ในบุกานีว่ามาสวัสดีับแม่าจาย์หมายว่าไปทางเดียวกันอ๋อ คุยกันบนรู้เรื่องใช่ไมฝถ้าใครกับฉันมาคุยคุยเรื่องกเก่าๆเรื่องที่ผ่านมากเก่าๆเขาเล่าเขาฟังว่าที่เขาขึ้นมาเนี่ยที่ฉันต้องลุกขึ้นมานำเพราะฉันเกงใจเขาเขาก่อนหนะ้าเป็นแกล้งเขาเขาก็จะไม่ทิ้งบ่าฉันออ <laughs> ไอ้ที่จบหลักสูตรท่านเป็นเพราะว่าหลวงพ่อไปพูดอะไรให้ข้อคิดตอนนั่นเลยท่านเลยทะลุไปต่อเลยอไงไหนที่บอกกอดได้แค่ว่านาคามีแล้วหลวงพ่อมาทูแนะนำอะไรต่อหรือปล่าท่านได้ต่อก็ไม่ไม่ต่อท่านบอกว่าก็ท่านบอกว่าก็เลยเคยจะถามว่าถ้าจบอะไรก็บอกันด้วยท่านถามว่าห้าข้อหนักใจไหมบอกห้าข้อไม่หนักใจครับในห้าข้อเนี่ยไม่หนักใจมาตั้งแต่วันศัตว์ห้านะ เธอไม่หนักใจเขียนแล้วใส่กระเป๋าเดินสบายก็ <c oughs> <ijo plays> ไม่ใช่ว่าปฏิบัติสบายเลยไม่ใช่ไม่ใช่เก็บไปเก็บอยแล้ว อ, อ๋อเ <laughs> ป็นาพูดไปพูดมาก็ไมันายย่าโยมพูดบริสันด์เวลาสามนาทีสองทุ่มอ่านาฬิกายกทรงผิดแล้วล่ะ <c oughs> ไอนาฬิกาไรยำมนันเดินจริง <c oughs> แม่ไม่หก <c oughs> โมงก็ขวา <c oughs> <c oughs> อาตอนนี้ไปยอดสมาทางศีลสมาทางกรรมทางก็เทศนาจามทานพูดไปได้เองที่เอ้ยยกสุกเป็นเหตุแล้วาต่อไปต้องใจนมัตกรรมก็ต่อไเนี่ย โยนสูงพรกวาระสมาสมุทรโขงตวข้าตุยนาพะโกวตาดมุนตัวปัสสิปนุยาชาพระโกวาตชาวกสังโข พระนตังจะทำมังคะังคังอะเริาเรหิยะาระหังอรบิเตหิอะิิยามะ พันต e <stream> ีพระกวาสุตีระบริณิพุตุอันตีวชิมาชนะตาโนกัมปะมานาชาลิภิสการิทุกตนาารภูตริันาตุ ดิกระสังหิตายะทุขายะพระองค์สมัยสมุทรภคว้พระคตวันสังภิวาลีมีจวัาคาตัวภคุไวาตาอัมโม ปาติปันโนพะกุศวะโตสาวะกะสังโฆตอันนามิต่อนไปคุนายญาติโยมพรทบจตุรายตั้งใจสมาทานชิ้นแปมัตสาพะกุศวะโตอรหะโตสมมาสมพุทธะณมูัตสา ปุกวตุอรหัตุสัมมาสัมพุทธะนโมทัสสะปุกวัตุอรหัตุสัมมาสัมพุทธะ เสระนังขจามีอมังเสระนังขจามียังขังเสระนังขจามีสุติยัมปีพุทธังเสระนังขจามี สุดิยัมปีธรรมังเสระนังขจามีสุดิยัมปีสังฆังเสระนังขจามีตัดิยัมปีพุทธังเสระังขจามี ตาดิยัมปิจำมังสระนังขจามิตัดิตัดิยัมปิสังคังเสระนังขจามิปานาดิปันตาวีระมณีสิกขาปัทหังสมาธิยามิ นาธานาวีระมณีสิกขาวะทังสมาทิยามิีพระมัจจิยาวีระมณีสิกขาวะทังสมาทิยามิ สาวาทาวีระมณีสิกขาบะทังสมาจียามีสุรามีระยะมชาปปามาทธานาวีระมณีสิกขาบะทังสมาจียามี อิคารภูชนะวีระมณีสิกขาวัทังสมาทิยามินัจคีตวาทิตวิสูกราชนามาลายทันทวีลปัญะธารณะมันดาณีภูชนะทานาวี ระมณีสิกขาวะทังสมะทิยามิโ m ชาเสยา a ะมหเสนาวีระมณีสิกขาวะทังสมาทิยามิ สิมานิอัจฉจิขาวะธานิสีเลนะสุขติยัญติสีเลนะปูขัยสัมปทานสีเลนะนิพุติยัญติตัจจมาสีลังวิโสทะเยะ่ตอนนี้ไปขยันโยมตั้งใจสมะครฐานเป็นกราขอทุกคนว่านโมสามจบพร้อมกัน บริจัามีถ้าได่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญถ้าพระพุทธเจ้าจงหลายหอมอกกายแ้วายชีวิตได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าจงหลายหอรัตนารมี พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปิดาจองพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายรูมบารยจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมามีหลวงพ่อปานวัด บ, บานมัโงโคเป็นที่สุดอ้อได้โปรยกจิตขึ้เข้าไปเจ้า ซึ่งสู่ภาวะพระกรรมฐาน ท, ทั้ง40ทัศพระปีติทั้งห้าและวิปัสสนาญาณทั้งเก้าขอพระกรรมฐานทั้ ง, ง40ทัศพระปีติทั้งห้าและวิปัสสนาญาณทั้งเก้าจงมาบังเกิดรายกฎในกายเทวาร ในว จ, จีวนโนโทวารในมโนทวารของข้าพระพุทธเจ้าในจาระบัดินี้เถิดขอได้ตรวจยกจิตนี้ข้าพเจ้าเพ่งสู่ภาวะแห่งไม่ขจิตสามารถกหมดจิตรูภาวะการต่างๆทั้งเหตุผลอดีต นายโคตและปัจจุบันได้ทุกนาจิตที่ปรารถนาจะรู้เมื่อดูแล้วพอเห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใสและพรายกรได้ตามความเป็นจริงทุกประการเหตุใดที่พึงบันเกิดแก่ว่าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจะรู้เหตุ น, นั้น ได้โดยไม่ต้องกำหนดจิตแม้แต่ราการใดนักกา ร, รบัดเจ้มนี้เถิด